เห็นใดลือมาดแม้นธรรมกายจำสนิทนิมิตหมายมั่นแท้เลอเลิศ ล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสะกลก็ต้องขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้อาตมาจะได้นําธรรมบรรยายเรื่อง ความเป็นมาของวิชาธรรมกายที่แท้จริงมานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นธรรมบัญญายของพระอาจารย์มหานัตพลเศรษรธมธโมปเปลี่ยนธรรม9ก้าประโยค์จากวัดสะเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพหรือวัดภูเขาทองซึ่งได้บัญญายไว้นวัดหุวงพสดธรรมกายรามเนื่องในโครงการอุปโภคกรรมฐานประจาปี ให้แก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังซึ่งมีทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดินทางมาเข้ารับการอุปรมจากทั่วประเทศจำนวนกว่าพันคนพันท่านด้วยกันซึ่งเนื้อหาสาระที่ท่านได้บรรยายไว้นั้นก็รวมเป็นหลายตอนด้วยกันซึ่งในตอนนี้ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับการสอนของวิชาธรรมกาย ที่หลวงพ่อวัดปากน้าสอนว่ามีความเป็นมาอย่างไรและเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างไรว่าคนที่เรียนวิชาธรรมกายจริงๆนั้นที่รู้จริงๆแล้วนั้นมีความรู้สึกอย่างไรจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาลองฟังธรรมบรรยายของท่านพระอาจารย์มหานตพนเศรษฐธรรมโมในตอนที่สองพร้อมกันถามตัวเองว่าเราทาถูกต้องหรือไม่ ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาหรือไม่ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปางปปน้ําสอนไว้หรือไม่ทําไปเพื่อเพิ่มกิเลสให้ตัวเองหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อสืบอายุพระศาสนาเพื่อเอาของจริงมาพูดกันพระอาจารย์มหาเสริมชัยนั้นท่านทุ่มเทชีวิตมาจากคราวา่าปฏิบัติธรรมถึงธรรมกายแล้วทุ่มเทชีวิตทั้งหมดลาออกจากงานที่กําลังเจริญก้าวหน้ามา มาจัดเผยแพร่วิชาธรรมกายของจริงอย่างนี้ทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบเื้องสูงเบื้องต้นเราได้ทราบกันว่าถึงองค์พระเห็นองค์พระธรรมกายเบื้องสูงเรายังไม่รู้เลยมีอะไรบ้าง mm. ก็มีบางคนเหมือนกันบางท่านเหมือนกันเป็นพระเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อวัดปากนา้าอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำเหมือนกัน อยู่ปีสองปีใกล้ชิดไหมบอกว่าใกล้ชิดเคยยกน้ำถวายหลวงพ่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีพูดเหมือนกันปฏิบัติจนเห็นดวงแต่เมื่อถึงดวงแล้วทำต่อไปยังไม่ได้เกิดเบื่อนหน่ายเสียก่อนออกปฏิบัติเองไปเจอพระกรรมฐานอีกที่ท่านชำนาญอย่างอื่นสอนก็เลยปฏิบัติตามแบบของท่านอย่างนั้นโ อ, อ้มันดีท่านได้บรรลุตอบท่านได้ทาต่อไปเออมันดี ต่อมาท่านก็บอกว่าวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นสมถะถ้าจะเป็นวิปัสสนามันต้องทิ้งนิมิตเจริญวิปัสสนามันจึงจะเป็นวิปัสนาเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าท่านเองไปปฏิบัติกับหลวงพ่อวัดปากน้ำมาแล้วมันเป็นสมถะยังอยู่แค่นิมิตแต่พอมาเจออาจารย์ทางนี้เข้าเออ ไม่ต้องอาศัยนิมิตทิ้งนิมิตจะเริ่มวิปัสนาเออเนี่ยต้องอย่างนี้ก็เลยบอกว่าท่านคือลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากนา้าและถามว่าที่ท่านพูดที่บอกว่าเป็นสมถะถูกไหมกระผมหรืออาตมาข อ, อยืนยันว่าถูกต้องเบื้องต้นเป็นสมถะแน่นอนแต่เมื่อถึงธรรมกายแล้ว จเจริญวิปัสนาใช้ยานของธรรมการนั่นแหล ะ, จะเจริญวิปัสนาเหมือนกันกับที่พระเจ้าตรัสไวหรือไม่กายในกายเวนาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้สติปัฏฐานทั้งสี่เป็นเอกายนามัคทางนี้สายเดียวเอกายโนอเวพิกเวอายางมัคโคขนทางนี้เป็นขนทางอันเอก วิชาธรรมกายก็ต้องเข้ากายในกายแต่กายในกายนั้นตามคำภีท่านให้สอนเอากายนั้นพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือพิจารณาอสุภกรรมาฐานเห็นทุกส่วนทั้งหยาบทั้งละเอียดนั่นคือกายในกายแต่ในด้านวิชาธรมกายถึงองค์พระเดินสมาบัติให้ใสแล้วตรึก เอาดวงของดวงธรรมของกายมนุษย์ดูดูกายข้างในเนี่ยที่ดวงที่ใจตรงที่ดวงธรรมเอากายมนุษย์ของเราในที่นั่งอยู่เนี่ยเอากายธรรมกายดูกายตัวนี้ให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงดูผมดูขนดูเล็บดูวันดูหนังดูเนื้อเนี่ยเห็นตามสภาพที่เป็นจริงของจริงคนไหนที่มีอะไรอยู่ข้างในจมูกโพรงจมูกก็เห็นตามเป็นจริงบางคนดู ดูไปลงจนถึงกระเพาะอาหารมีพยาติอยู่ข้างในก็เห็นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าเห็นด้วยเห็นแล้วก็รู้ด้วยว่าอ๋อมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันน่าเกลียดแต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายเห็นด้วยอย่างแต่ถ้าเราพิจารณาเพียงภายนอกไม่ทำอย่างนี้สายอื่นๆต้องสร้างมโนภาพออกว่าเป็นอย่างนั้นหรือต้องไปดูเพ่งดูเขาผ่าศพอย่างนั้น นึกไปทีละชินช้นทีลชิ้นแต่ธรรมากายเห็นใช้ยานดูมันเห็นเห็นข้างไหนแล้วไม่ใชพิจารณ า, าเฉพาะในกายมนุษย์เท่านั้นพิจารณาทั้งกายทิพย์กิเลสในกายทิพย์กายพรมกายรูปะพรมต้องชําระให้หมดให้สิน้นถ้าท่านได้ปรารถนาโพธิญาณก็แน่นอนละ่ะส่วนวิปัสสนานั้นชําระ ยังเหลืออยู่บ้างแน่นอนหรือจะอ่อนลงไปแต่ถ้าท่านต้องการที่จะบรรลุอรหันต์เข้านิพพานมันเห็นพระนิพพานด้วยเห็นได้ตรงนี้คนไม่เข้าใจคนที่อ้างมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำทำไม่ได้ถึงตรงนี้เลย แล้วจะอ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดนั้นก็เป็นได้เป็นลูกศิษย์เบื้องต้นแต่จะยืนยันว่าวิชาธรรมกายเป็นแค่สมถะไม่ได้เพราะเห็นว่าเบื้องสูงของท่านท่านยังไม่ได้ทําของหลวงพ่อวัดบากน้ําเลยถ้าท่านศึกษาตามหลวงพ่อวัดบางน้ําถึงธรรมกายาจนขอเรียนต่อวิชากับหลวงพอ่อหลวงพ่อครับช่วยสอนผมหน่อยผมเรียนองค์พระแล้วเอาเอาทําอย่างนี้นะ เ, เสร็จแล้วทํางี้นะพอไปทําได้ผมทําได้แล้วหลวงพ่อมีอะไรอีกครับเออทําอย่างนี้ตรงนี้ ผมทำได้แล้วครับหลวงพ่อทำไงอีกเออหลวงพ่อเขารู้เท่านี้แหละเธอเก่งมากเหมือนใครครับถ้าทำอย่างนี้เหมือนใครเหมือนพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าออกบททีแรกนั้นเป็นไงครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรเหมือนกันไปศึกษาในสำนักของอาลาระดาบทเป็นฤาษีเป็นนักบวชนะครับไปขอศึกษากับเขาเป็นเขาเป็นอาจารย์ ก็ไปขอศึกษาขเขาท่านสอนสมาบัติคือการเข้าสมาธิได้เจ็ดชั้นพอเรียนจบเรียนถึงนั้นแล้วก็ถามอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์บอกต่อสักทีอาจารย์ครับมีอีกไหมครับอาจารย์ช่วยสอนผมหน่อยอาจารย์เขาเลยบอกว่ามีเท่านี้แหละคุณผมรู้เท่านี้แหละคุณรู้เท่าไหนผมก็รู้เท่านั้นช่วยกันสอนคนอื่นเป็นอาจารย์สอนช่วยช่วยกันเถอะ เนี่ยถามขนาดนั้นแต่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราในขนาดนั้นยังไม่ได้บรรลุนั้นดำริในใจมันน่าจะไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้อีกนะไม่ได้ทำหนิท่านอาจารย์นั้นก็เลยขอลาไปศึกษาอีกสำนักหนึ่งขอเรียนสอนคล้ายๆกันแต่สูงกว่ากันขึ้นมาอีกชั้นมาบัดแปลกอาจารย์นิ่งอีกแล้วเงียบจนต้องถามมีอีกไหมครับอาจารย์ช่วยสอนผมหน่อย ไม่มีแล้วหมดแล้วคุณผมรู้เท่าไหนก็รู้เท่านะั้นพระองค์มาพิจรารณาโอ้สมมาบัตรมันก็ดีแต่พอออกจากสมาบัตรแล้วจิงจริ ก, ก็เกิดมันน่าจะมีอะไรที่ดีนั่นแหละจึงหลีกออกไปพระองค์เดียวไปอดข้าวไปอดอาหารทรมานเหมือนกับเขายะทําตัวเองทรมานตัวเองในอินเดียสมัยนั้นทรมานจนถึงที่สุดจนเห็นชัดว่ามันเป็นอัตตะกิลามะฐานโยคทําตัวเองให้ลําบากมันตึงเกินไป เออระลึกได้ว่าตอนที่เป็นเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบนั้นน่ะพระองค์เป็นอายุเจ็ดขวบพระเจ้าสุโวทันนพระบิดาแรกนาขวัญพระองค์ท่านนั่งเข้าสมาธิอยู่ใต้ต้นว่าไม่เห็นต้องอดอาหารทําไมเงาแดดเกิดอัศจรรย์ตะวันบ่ายเงายังเที่ยงอยู่เหมือนเดิมสงสัยการประโยชนมันต้องทานสายกลางละมั้งบางท่านบอกว่าพระอินท ลงมาดีดพินสามสายให้ฟังสายหนึ่งมันตึงเกินไปมันขาดสายสองมันยานเกินไปมันไม่ดังสายอีกสายหนึ่งที่สามพอดีดังเพราะท่านเลยเห็นว่าโอ้การปฏิบัติมันต้องมัดชิ ม, มาปฏิปทาร่างกายนี่ถ้าไม่ให้มันทานข้าวมันก็จะตายเปล่ปาๆเลยกลับมาทานอาหารจนร่างกายแข็งแรงแล้วปฏิบัติทางจิตจนวันเพ็ญกลางเดือนหกนั่นแหละได้บรรลุพระพุทธเจ้าของเราเป็นนักพิสูจน์ว่าเออจริงหรือเปล่าที่เขาสอน ถ้าถามอาจารย์อ๋ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าที่พระพเจ้าไปเรียนกับเขานั้นน่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเออก็ไหนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูอาจารย์ตรัสรู้ครูอาจารย์ที่สอนนั้นไม่ได้สอนการตรัสรู้ให้เลยสอนแค่สมาบัติแต่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนพบเอาเองจึงถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองไม่มีใครสอนตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าเป็นนักวิสูจท์ ฉะนั้นคนที่อ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ําจะต้องถามหลวงพ่อวัดปากน้ําว่ามีเท่านี้ or, หรือครับหลวงพอ่อถ้าหลวงพ่อว่าเออหมดเท่านี้เลยนั่นแหละจึงเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพอ่ออ้างตัวเองได้เพราะว่าฉันคือลูกศิษย์วัดปากน้ําลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ําเต็มตัวแต่ถ้ายังปฏิบัติแค่ว่าเห็นดวงเท่านั้นหรือว่าปฏิบัติยังไม่ได้เลยแล้วไปอยู่วัดปากน้ําเฉยๆจะอ้างว่าฉันอยู่วัดปากน้ําเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโอ้ยทําการไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนี้ไม่ ไม่ยุติธรรมถ้าจะให้ดีมันต้องศึกษาให้รู้ให้เห็นตามแล้วศึกษาให้รู้หเห็นตามนั้นอย่าไปถามลูกศิษย์ช่านปลายแถวหรือไม่ได้เรื่องอย่างสมมติที่นี่ก็เหมือนกันมีบางท่านอยากจะรู้วิชาธรรมกายไปถามคนอื่นก็ไม่กล้าไปถามก็มาเน้นดีกว่าเน้นก็ตอบผิดตอบถูกจะเอาข้อ น, นั้นไปอ้างว่าเอ้วัดธรรมกายที่ทำเนินฉันไปมาแล้วอ๋อเขาว่าอย่างนี้นะ อย่างนั้นใช้ได้ที่ไหนมันต้องถามตัวอาจารย์ว่า ม, มีเท่านี้เด็อครับคุยกันเลยครับันคือประเด็นนี้ครับแล้วที่ยังไม่เข้าใจกันอีอกก็คือว่าวิชาธรรมกายหลวงพ่อวัดปากน้าเนี่ยคิดเอามาสอนเราเองเหรอหลวงพ่อวัดปากน้านี่ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าลัทธิอย่างนั้นเหรอ มีคำกล่าวว่าวิชาธรรมกายนี่หายไปพระพุทธศาสนาล่วงไปห้าร้อยปีแล้ววิชาธรรมกายหายไปแล้วก็มีหลวงพ่อวัดปางน้ําคนพบขึ้นมาแสดงว่าหลวงพ่อวัดปางน้ำเก่งกว่าพุทธยาสมรคนี่พานมันหายไปแล้วแล้วไปคนขึ้นมาเหรออันนี้เป็นคําเข้าใจผิดของคนที่ไม่ได้พิจารณามีอคติจึงพูดออกมา ที่ค้นพบนั้นหลวงพ่อวัดปากนา้ำที่ท่านปรารพกับตัวท่านเองหลังจากที่อุปสมบทได้แล้วสิบสองพรรษาตอนนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธาเตียนท่านก็ปรารพว่าบวชมาสิบสองพรรษาแล้วธรรมะภายในยังไม่เห็นเลยเราควรจะตั้งใจปฏิบัติให้ได้เห็นของจริงในพระาศาสนา ก็เลยคิดที่จะหาที่ปฏิบัติก็เลยเห็นที่วัดบางคูเวียงว่าเคยไปจำมันษามีอุปการรักคุณแก่เราไปปฏิบัติธรรมที่นั่นถ้าเกิในพรรษาก็จะได้เทศเป็นการเทศให้ญาติโยมฟงังเป็นการตอบสนองตอบบุญแทนคุณของวัดที่ได้ให้พึ่งพาก็เลยไปลาที่วัดพระเชตุพนวัดโพไปจำมรสาที่วัดบางคูเวียง ในคืนของวันเพ็ญกลางเดือนสิบหลวงพ่อวัดปักน้ำซึ่งกระผมหรืออาตมาได้ทราบว่าท่านกำหนดลมหายใจกำหนดลมสามฐานอันนี้ผมยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็น์นะครับลมฐานที่หนึ่งคือจมูกที่สองคือหน้าอกที่สามคือที่สุดลมหายใจคือท้อง กำหนดลมครับพระโบราณอาจารย์ของเราเก่าๆท่านกําหนดกําหนดลมอย่างนั้นครับลมกระทบสามฐานบ้างหกฐานบ้างจนกระทั่งว่าหลวงพ่อทําไปทําไปนีครับจนลมมันหยุดครับหยุดตรงฐานที่สามครับคือตรงสะดือครับพอลมมันหยุดจิตมันหยุดครับมันหยุดโดยที่ท่านไม่รู้มันไม่รู้จะทํามันเป็นธรรมชาติมันหยุดเพราะหยุดจิตมันดิ่งครับ ไม่มีใครบอกใครสอนอะไรท่านเลยมันดิ่งของมันเองโดยธรรมชาติเพราะกิจหยุดกําหนดลมมากเขามาหยุดตรงนั้นพราะหยุดตรงนั้นครับสิ่งที่อัศจรรย์ใจแก่ท่านมากๆก็คือว่าพอหยุดนิ่งแล้วก็มันเห็นดวงสว่างขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครบอกท่านมาเลยว่ามันคืออะไรท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไงล่ะครับก็ดูแต่ดวงนั้นที่เป็นเป็นดวงสว่างกลม ไม่ได้กำหนดดวงนี้มิมอะไรเลยครับไม่ได้คิดตรึออะไรเลยครับจิตนิ่งตรงนั้นครับพอสักพักหนึ่งท่านก็เลยดูดวงนั้นเพ่งไปเพ่งมาเห็นจุดเล็กตรงกลางครับจุดเล็กเท่าปลายเข็มแต่ใสครับแล้วได้ยินเสียงท่านบอกว่ามีเสียงว่ามัททิมาปฏิปทาปลุดออกมาจากกลางจุดศูนย์กลางท่านก็เลยได้คิดว่า วัชิมาปฏิปทาพระประธานาสายกลางจุดเล็กสายเนื้อม้างกลางก็เลยรวมใจหยุดให้ใจนิ่งครับเหมือนกับที่ท่านกําหนดลมตอนแรกใจมันนิ่งพอสักพักหนึ่งใจเพ่งจุดเล็กใจมันรวมเป็นจุดเดียวกันครับปรากฏจุดเล็กมันขยายว่างออกมันเห็นดวงสว่างขึ้นมาแล้วดวงที่สองใสแจม่มยิ่งกว่าเดิมอีกเอ๊ะมันแปลกดีอ่ะคงจะต้องเข้ากลางอีกแหละกําหนดเห็นจุดเล็กสายเหมือนเดิมอีกแล้ว กลางดวงอ้าวมีอยู่แล้วกลางอีกรวมใจหยุดนิ่งอ้าวสว่างขึ้นมาอีกแล้วจนตอนหลังวิธีตรงนี้เนี่ยครับท่านจึงบอกว่าอ๋อเห็นจาคิดรู้ใจของเราต้องรวมเป็นจุดเดียวกันตรงนี้เหนือระดับสดอสองนิ้ว ม, มันจะเห็นเป็นดวงสว่างขึ้นมานี่ครับเริ่มต้นของวิชารมกายคือจุดศูนย์กลางคนนี้พอเข้ากลางดวงไปเรื่อยๆดวงที่หกครับเห็นกายตัวเองนั่งอยู่ข้างในนั่นเอง อ้าวนี่อะไรอีกล้ะเนี่ยดูไปดูมาอ้าวทำไมมันหน้าตาเหมือนหลวงพ่อเองล่ะเนี่ยเหมือนเราเองแต่สวยงามกว่าโปร่งใสกว่าตอนหลังท่านจิงอธิบายว่าท่านจึงรู้ชัดว่ากายนี้เลยครับคือกายไปเกิดมาเกิดเรียกว่ากายละเอียดมีอยู่ด้วยกันทุกคนทุกชาติทุกภาษา แม้แต่สัตว์เดริฉันก็มีกายละเอียดของเขากายนี้ถ้ายังไม่ตายเขาทำหน้าที่ฝันครับตรงนี้เป็นจริงอย่างไรครับเป็นจริงอย่างไรที่เราพอพิสูจน์ได้พอมองเห็นได้คร่าวๆบ้างเอาผมสังเกตครับตัวผมเองและได้ยินได้ฟังคนเท่าคนแก่ว่ามาด้วยว่าเวลาคนตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเขาตายในชุดไหนที่เขาแต่งตัวถ้าเขามาปรากฏให้ญาติเห็นเขาจะแต่งตัวชุดที่เขาตายครับโยมแม่อตมานั้นเคยเล่าให้ฟังว่าโยมลุงโดนอุบัติเหตุรถชนกันนยโยมแม่ก็เสียใจแล้วก็บ่นทุกวันว่าอยากจะเห็นลุงอยากจะเห็นลุงมีข้ามันหนึง่งโยมแม่เห็นยืนอยู่ที่ยืนอยู่ที่นอกฌาน คนอื่นไม่เห็นครับเห็นแต่ยมแม่คนเดียวสักพักหนึ่งก็หายแม่ตกใจมากแม่บอกว่าแต่งตัวเหมือนชุดที่เห็นศพของลุงนั่นแหละที่ไปดูตอนที่ท่านตายทําไมครับคนโบราณเวลาคนตายจึงแต่งตัวให้ใหม่ครับพระมรณภาพก็ตามญาติโยมตายก็ตามแต่งตัวให้ใหม่สวย หลวงพ่อวัดปากน้ําเห็นเขาไปข้างในกายละเอียดนั้นแต่งตัวเหมือนข้างนอกครับข้างในข้างนอกแต่งตัวยังไงข้างในแต่งตัวอย่างนั้นครับนี่แหละครับที่กายละเอียดข้างในตรงนี้นะที่ว่ากายไปเกิดมาเกิดที่เราว่าผีหลอกผีหลอกไม่ไม่ใช่ผีครับกายของเราเองครับแต่ทําไมหน้าตาบางครั้งหน้าเปลียดหน้ากลัวอาจจะเกิดจากจิตไม่ผ่องใสกายละเอียดก็ไม่ผ่องใสด้วยถ้าทําคุณงามความดีไว้จิตผ่องใสครับ ใสามากๆจากกายละเอียดเป็นกายทิพย์ไปเลยอยู่ข้างในนี่ครับเป็นทิพย์ไปเลยเป็นเทพไปเลยแต่ถ้าทาชั่วนะครับเป็นเปรตครับกายเปรตอยู่ข้างในนี่แหละเศ้าหมองม้อซ้อสมซ้ออยู่ข้างในนี่แหละหลวงพ่อวัดป่ากนะ้ําทํายังไงต่อครับเห็นกายละเอียดท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงนึกไปนึกมาเอา้าลองเราทําความรู้สึกเป็นกายนะั้นดูสิเอาละ สวมความรู้สึกเป็นกายที่เห็นนั่นแหละทิ้งกายข้างนอกนี้แล้วก็เพ่งมองแบบเดียวกันคือมองที่กลางท้องนี่ทำสม่มไปนะครับทำสม่มไปเอานิ่งที่กลางให้มันนิ่งพอนิ n ครับนึกให้เป็นจุดให้ใจเพื่อจะได้นิ่งพอใจนิ่งถูกส่วนมันเห็นดวงขึ้นมาอีกครับดวงสว่างแบบเดิมท่านเข้าขดวงอีกตามแบบเดิม เห็นจุดเล็กใสกลางดวงนิ่งพรนิ่งสุดส่วนจุดทุ่นกลางขยายออกเห็นดวงสว่างแจ่มขึ้นมาห้าหกดวงเห็นอีกแล้วครับกายทิพย์ครับหน้าตาใครครับกายทิพย์กายตัวเองนั่นแหละครับกายทิพย์แต่งตัวแพลวพร่าเหมือนเทพเหมือนเทวดานี่เดี๋ยครับเวลาคนไปเกิดเป็นเทวดาจิตมันเศร้าหมองจากกายละเอียดมันเปลี่ยนทันทีเพราะว่ากายทิพย์ข้างในมันทําหน้าที่มันขยายออกมาแล้วครับมันเปลี่ยนแล้วเป็นเทพครับหลวงพ่อทําแบบเดิมทําความรู้สึกเป็นกายทิพย์ นิ่งที่กลางกลายนิ่งถูกส่วนเห็นดวงขึ้นมาอีกนี่ครับจากกายทิพย์เห็นกายพรมจากกายพรมกายรูปพรมจากกายรูปพรมกลางของกลางกลางดวงเห็นเป็นองค์พระครับเกต ด, ดอกโบตุมใสสว่างจากองค์พระมีองค์พระในองค์พระที่โตใหญ่โตใหญ่โตใหญ่ขยายออกรอบครอบออกไปอีกเรื่อย ๆ, ๆ, ๆครับครอบกายที่นั่งอยู่กายหยาบๆนี่ครับโตใหญ่ถึงยี่สิบวา แต่มันคนละมิติมันไม่ชนเพดานมันมันทะลุ ก, กันมันคนละมิติกันครับแต่รูกายพรมนั้นเป็นพรมหน้าเดียวครับหน้าใสๆแขนสองข้างไม่มีแขนหลายข้างเหมือนพรมรูปที่เราเห็นอยู่โรงแรมเอาราวัณเป็นรูปผู้ชายครับใสครับกายใหญ่กว่ากายมนุษย์นี่ครับใหญ่ไปเรื่อยๆดวงธรรมก็โตกว่า ธรรมกายที่เห็นองค์พระที่เห็นต่อมาท่านเรียกว่าธรรมกายซึ่งข้อนี้ที่ท่านเรียกว่าธรรมกายนั้นมีท่านนิ่งเข้ากลางแล้วสอนได้ด้วยครับพอถึงธรรมกายทำยังไงต่อไปท่านนิ่งตกสวนตรึกถามลงไปทำยังไงต่อไปคือจะมีเสียงบอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เพราะอะไรครับเพราะกลางของกลางนั้นมีพระในองค์พระจนกระทั่งวัดละเอียดตกศูนย์เข้าไปพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วที่บอกว่าที่เราสวดกันสัมพุทเทนะครับพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านล้าน ล, า น, ลานองค์นั้นนะครับมีที่อยู่ครับไม่ศูนย์ครับพระนิพพานจึงไม่ศูนย์ครับมีอยู่พระนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าองค์ต้นตนเองจึงเชื่อมถึงกันหมดเลยครับ แล้วต่อมาหลวงพ่อเมื่อเข้าถึงเมื่อเห็นองค์ธรรมกายแล้วจึงรู้ว่าเจริญวิปัสนาอย่างไรพบภูมิทั้งส1มสิเอ็ดภูมิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สาสิบเอ็ดภูมิอยู่ตรงไหนบ้างสามสิบเอ็ดภูมิมนุษย์หนึ่งสัตว์เดรัจฉานที่อยู่กับมนุษย์ 2. นี่อันที่สองนรกเปรตอสุรกาย ห้าแล้วสวรรค์อีกหกชั้นสิบอ็ดแล้วพรมโลกอีกสิบหกชั้นแล้วก็สุดทาวาสอีกสี่ชั้นอวิหาอัตปาสุท ธ, ธาสุทธศสีอาการิธาห้าชั้นนียครับอรูปพสี่ชั้นครับโทษทิอรูปภพอีกสี่ชั้นรวมแล้วมันสามสิบเอ็ดภูมิครับคือตายไปแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในภพภูมินี้ถ้าทำชั่วแน่นอนแะครับ ลงต่าครับเป็นสัตเดรัจานไปจากคนทั้งนั้นกายละเอียดข้างในเป็นคนครับรู้เห็นได้ไหมเห็นได้ครับถ้าถึงธรรมกายเอามาซ้อนดูสิครับเห็นอดีตรกรรมเขาด้วยว่าเป็นอะไรมามันจะเป็นภาพชัดเจนให้เห็นครับแล้วอาจจะเคยเกี่ยวข้องกับเราๆ ร, า ร, าราลองดูสิครับแต่มีข้อแม้ถ้าจะให้เห็นได้ชัดเจนจริงๆนั้นชัดเจนถูกต้องโดยไม่มีพลาดเคลื่อน ในวิชาทรรกายจึงมีเดินสมาบัติครับถ้าใครได้เดิไ ด, ได้ถึงตรงนี้ท่านจะให้ส่วนมากแล้วท่านจะให้เดินสมาบัติก่อนแล้วจะค่อยทําให้ใส่ก่อนเพราะอะไรครับเพราะมันมีจุดหนึ่งเมื่อใจเป็นสมาธิถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าใจกระดิกไปอะไรเนี่ยครับความปรุงแต่งของจิตระดับนั้นมันเป็นมนโนมยิทธิครับมันปรุงแต่งไปเลยครับอนึกว่าเห็นอันนั้นที่มันจิตมันมันไปแล้วครับมันกระดิกไป ฉะนั้นต้องให้มันเกิดขึ้นมาเองครับให้มันนิ่งแล้วก็ให้มันใสจริงๆครับจึงจะเห็นของจริงชัดเจนแน่นอนครับแต่ว่าถึงบางท่านไม่ทําขนาดนี้แต่ว่าสมาธิของท่านเป็นปกติอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้ครับเห็นชัดเจนเลยหลวงพ่อวัดปากน้ําจึงเห็นภพภูมิต่างๆสามสิบเอ็ดภูมิรู้ว่าพรหมโลกนั้นมีอยู่พรหมโลกนั้นไม่ใช่เฉพาะคนนับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีมา ก, ก่อนตั้งแต่ไหนไม่รู้คนที่จะไปเกิดพรหมโลกได้ก็ต้อง เข้าฌานครับฝึกสมาธิจนได้ฌานอาจารย์ของท่านทั้งสองนั่นแหละครับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ของหลวงพ่อวัดปักน้ำอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองท่านที่ท่านไปเรียนนเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเออเราจะสอนใครก่อนก็เลยต้องก็เลยคิดว่าจะต้องสอนผู้มีพระคุณก่อนคืออาจารย์ทั้งสองท่านสอนอีกนิดเดียวท่านก็ถึงนิพพานได้แล้วเลยเลลึกชาติดูถอยหลังดูเอาท่าทําคนท่านมาดูอา้าว ฉีบหายใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าอุทานออกมาฉิบหายใหญ่แล้วที่ว่าฉิบหายใหญ่แล้วเพราะเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองเพิ่งสิ้นชีวิตไปไม่นานนี้เองสิ้นชีวิตแล้วไปอุบัติเป็นพรมครับอายุของพรมนั้นนับไม่ท้วนครับเป็นกับกับแล้วเมื่อไหร่จะหมดบุญจากพรมแล้วค่อยมาเกิดแล้วก็ได้ฟังธรรมอีกไม่รู้ครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยติดเงาะตรงนั้นน่ยมันสุกอยู่แต่ว่าเมื่อหมดบุญของพรมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีก ถากิเลสเข้าก็ทําชั่วอีกเห็นไหมครับแล้วที่พระพุทธที่หลวงพ่อคนพบวิชาธรรมกายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ไม่มีอยู่ในคัมภีร์ที่สอนวิธีปฏิบัติครับที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายตรงตรงเหนือระดับสี่สองนิ้วมือเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยไม่มีครับในคัมภีร์ท่านสอนลูกศิษย์ว่าปักน้ามาเนี่ยครับ จะให้เห็นธรรมกายจะให้เห็นองค์พระจะให้เห็นดวงต้องหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายที่อื่นไม่เป็นครับเอาดวงตาเอาดวงแก้วไปไว้ข้างหน้าลองเพ่งดูแต่ครับไม่เป็นครับเอาไปไว้ที่ไหนที่ไหนก็ตามจะไม่เป็นอย่างนั้นครับถ้าเป็นก็เป็นแบบนึกเอาลอ้มก็เลอะๆไปครับไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ถ้ายหยุดที่วัดหยุดที่นิ่งที่ศูนย์กลางกายพอหยุดนิ่งใจไม่ปรุงแต่งนะครับต้องสําคัญใจไม่ปรุงแต่งแต่ใจยังปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่บางคนบอกว่าว่านโมภาพเอานาะีิมันก็เป็นน่ะี ต้องหยุดว่ามโนภาพครับใจต้องหยุดถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนครับเคยได้ยินไหมครับหยุดต้องหยุดถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนสิบศูนย์คืออะไรหยุ ด, ยดนิ่งพอนิ่งแล้วจุดเล็กใส่ขยายออกนั่นเข้าสิบแล้วครับพอเห็นดวงสว่างขึ้นมาแล้วเห็นศูนขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โดยเฉพาะขณะนี้พระอาจารย์กำลังบรรยายถึงการเข้าถึงธรรมะในชั้นแรกของธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายว่าดำเนินไปอย่างไรแต่เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปซึ่งอาตมาจะได้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิดเจริญพร